2. อ, อนุวาทาธิกรในอธิกรสี่อย่างนั้นอนุวาทาธิกรเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิกษุด้วยสีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจทย์